เพื่อนพิษฟูจะมันเนีนและยากโยมถ้าอยู่ไกลฟังมันไม่ได้ยินถนัดเมื่อไม่ได้ยินถนัดฟังมันก็หลงหล ง, ล, งลืมลืมเมื่อหลงหล ง, ล, งลืมลืมแล้วนำไปปฏิบัติมันอาจได้ผลน้อย หรือถึงกับไม่ได้ผลดังนั้นเมื่อไม่ได้ผลก็จะหาว่าทำไม่ถูกต้องเราจะคิดอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นวันนี้เป็นวันพุธที่ยี่สิบสองุราคมสองพันห้าร้อยยี่สบเก้า ตรงกับบรรแรม5คําเดือน11เมื่อทรมัดเช้ า, า, าเสร็จแล้ว <c oughs> ก็จะได้แนะนวหรือวิธีปฏิบัติการแก้ไขปัญหาที่ตัวเองกำลังหลงผิดอยู่วันนี้ซึ่งอยากจะแนะนำพวกเรา งานที่เรามาเกิดเป็นคนแท้งขาหน้าตามือเท้าเป็นคนจิตใจอาจจะเป็นเทวดาก็ได้เป็นมนุษย์ก็ได้เป็นพระอินทร์พระพรหมก็ได้หรือที่สุดถึงเป็นพระเนี่ยบุคคลก็ได้ในทางตรงกันข้ามเมื่อทำผิด ผิดคิดผิดแล้วจิตใจอาจเป็นสัตว์เด ร, รัจฉานก็ได้เป็นคนก็ได้เป็นเตจก็ได้เป็นสัรกายก็ได้เป็นสัตว์น ร, รกก็ได้ทำไมจึงว่าเป็นเช่นนั้นเราต้องพิจารณาดูว่าคาว่าคนในที่นี้หมายความว่า หลายสิ่งหลายอย่างมันอยู่ด้วยกันมันเรียกว่าสับสนปนเปนกันเรียกว่าคนบ้านผมหรือบ้านหองพ่อคำว่าคนหมายถึงวนกันเข้าหลายสิ่งหลายอย่างคนใดไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มียาน ปัญญาหรือไม่มีสัญญาขวมจำญาณปัญญาจะไม่เกิดปัญญาจะไม่หลบรู้เมื่อปัญญาไม่หลบรู้จะเลือกคัดจัดหาสิ่งนั้นให้เป็นพักเป็นพวกหรือเอามาใช้ไม่ค่อยได้ผลดีดังนั้นจึงมีการอบรม หิปจนนาหรือว่าอบรมสติสมาธิปัญญาให้ผองใสให้สลาดให้เห็นแจ้งรูจริงตามคนจริ ง, รงเมื่อจิตใจหรือสติปัญญาว่องไวผองใสตัดสินใจลงไปแล้วก็จะมีการพาดนิดน้อย เมื่อจิตใจยังเศร้าหมองจิตใจซึมเศรา้าจิตใจไม่ว่องไวขัดเืีงใจอาจจะติดมากําลงไปแล้วเพราะไม่มีสัญญาและไม่มียานไม่มีวิปัสสนาญาณอย่างนั้นก็ได้ดังนั้นจึงว่าคำว่าคนให้ใส่ซื้อให้ดึกดำบัรมาถามมาหลายคนแล้ว ไม่มีใครตอบเลยมีแต่ว่าเรียกกันมาอย่างนี้ตั้งแต่ปู่ยาตายายหรือหลายพวกคนมาแล้วพูดกันมาอย่างนี้ได้ยินติดเสียงพูดอย่างนี้บุคคลที่ให้ซื้อเสียงเลียงนาะมว่าคนนี้คนนี้อาจเป็นคนสลาดเป็นคนสามารถมองเห็นทุกแง่ทุกบุญจึงให้ซั้วคน คำว่าคนจริงว่ามันคว้นกันคนเรียกว่าโซเล่พูดไปพูดมาเรียกว่าไอาบ้าพูดกันไม่รู้เรื่องอย่างที่พูดธรรมะให้ฟังวันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่เข้าใจก็ฟังไม่รู้เรื่องแกควรจริงพูดธรรมะให้ฟังว่าไม่รู้เรื่องเพราะว่าไม่มีสัญญาไม่มียานปัญญาจึงไม่รู้ คำว่าสัญญาไม่ได้หมายถึงความหมายรู้จําได้ไม่ใช่หมายถึงอะไรคําคว่าสัญญาเนี่ยหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวอะไรอยู่ที่ไหนจําได้เพราะมียานปัญญามีญานเกิดขึ้นปัญญาหลอกรู้ปัญญาสามารถจะสี้แจงแสดงให้ฟังเป็น ดังนั้นจนึงฝึกหัอบรมให้มีค ว, ว, มคว า, ม, ม, านะมรู้สึกตัวตื่นตัวให้มีความรู้สึกใจตื่นใจเรียกว่าสติความรู้ได้สัมปาชนะควมรู้ตัวพูดตามภาษาทางธรรมพูดตามภาษาชาวบ้านเรียกว่ารู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจ รู้เนื้อรู้ตัวไปไหนมาไหนการทำการพูดการคิดท่านตอนอนั้นดังนั้นจึงให้พวกเราได้เข้าใจไว้การฟังนั่นคือฟังกล้องเทพพระพุทธเจ้าท่านตัดเอาไว้คำนึ่งหรือหลายคำมีความหมาย เข้าใจอยู่เพียงประเด็นสั้นๆที่จะนำมาเล่าให้ฟังในขณะนี้ท่านว่าทำเหล่าใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่ใช่เป็นคำไม่ใช่เป็นวินัยไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าพอแม่ครูบาอาจารย์เคยพูดให้ฟังทังนี้ ในทางตรงกันข้ามทำเราใดเป็นไปเพื่อควาไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นมินายนั่นแหละเป็นคำสอนของพัะพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังแบบนี้แต่พูดได้ไม่เข้าใจเรื่องนี้ทำไม่จึงว่าไม่เข้าใจผมเองพูดนี้ เรปราสบการณ์ครูบาอาจารย์สอนให้ไปนั่งกรรมฐานบางที่ก็ภาวนาพุโทโธบางที่ก็สัมมาอะระหังบางที่ก็นหนึ่งสองสามบ า, บางที่ก็อ้อนุกบางที่ก็อาณาปานสติเพราะสิ่งเหล่านั้นครูบาอาจารย์สอนให้นั่งขัดสมาธิแล้วก็ภาวนา น, นึกในใจ ให้เห็นมิมิตรนนเทนวันมีมิตนั้นก็ไม่ได้หมายถึงเห็นตัวจริงแต่มีมิตรนั่นเทนวันเมื่อเห็นแลี่ก็ต้องเช่งจําไว้คนเราเมื่อนั่งนานนานก็ปวดแขงปวดขาปวดหลังปวดเอวบ้านหลวงพ่อเรียกว่าปวดแอวเมื่อเป็นเช่นนั้นเรียกว่าทุกขเวทนาทุกโรคโสกาทุกให้หลําไส เป็นการทรมานตัวเองและเบียดเบียนตนเองนี่แหละการเบียดเบียนตนเองไม่เป็นธรรมไม่เป็นวินัยไม่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ทำไมเราทำเช่นนั้นเพราะไม่รู้นั่นเองความไม่รู้นี่แหละเนื้อเป็นลากเง่าของอกุศลเป็นลากเง่าของการทำผิดเป็นลากเง่าของของมืดเพราะไม่รู้นั่นเอง จึงไปยึดไปถือเช่นนั้นแต่เราเคยพูดเคยสอนกันเอาไว้ว่าอย่าเพิ่งมีอุปท า, านอย่าให้ยึดมั่นถือมั่นทำไมจึงระยึดอย่างนั้นเพราะควัไม่รู้นั่นเองจึงทำลงไปดังนั้นการฟังจึงว่าฟังให้เป็นเนต จ, จาให้ได้จึงบอกให้เข้ามาใกล้ฟังจึง จ, จับจาได้แล้ว นำไปปฏิบัติพดหัดต้องดังนั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนก่อนจะทําพูดคิดอะไรต่างๆนั้นท่านว่าให้มีสติให้มีสมาธิให้มีปัญญาเพราะการฝุดหัดอกลมรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจเมื่อรู้สึกตัวตื่นตัวรู้สึกใจตื่นใจ นั่นเรียกว่าสติคนละลึกได้สมปาชนะสวมรู้ตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตใจก็ว่องไวจิตใจว่องไวแต่ไม่ใช้จิตใจมึดจิตใจว่องไวด้วยสติด้วยสมาธิด้วยปัญญาเมื่อจิตใจของใสว่อง ไ, ว, องไวแล้วมือสัญญา มีสัญญาไม่ได้สัญญาอย่างธรรมดาที่ว่าจะทำอันนั้นทำอันนี้พูดคิดอย่างนั้นอย่างนี้จำได้ศึกษามาแล้วจากตหรับาํบาราฟังมาแล้วจากครูอาจารย์สอนจำอย่างนั้นอันนั้นเป็นสัญญาธรรมดาไม่ว่าเป็นสัญญาสัญสตยาตญาณของคนและสัสัญญาที่ตัวผมหรือตัวอาตมา นำมาเล่าให้ฟังอยู่ในขณะนี้สัญญาจากการเจริญสติการเจริญสมาธิการเจริญปัญญาให้จิตใจว่องไวของใสเมื่อตัดสินใจลงไปแล้วจะถูกตรงลงไปเพราะการรู้แจ้งเห็นจริงจำได้หมายรู้เพราะอาศัยยานปัญญา หรือปัญญารอบรู้นั่นเองเราจะว่าปัญญารอบรู้ปัญญารอบรู้เมื่อปัญญาเข้าไปรอบรู้ปัญญาก็สามารถที่จะชี้แจงแสดงออกมาอะไรควรอะไรไม่ควรเราไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมั่นอย่างที่ผมพูดอารมณ์นิพพานมานั้นไม่ได้เข้าไปยึดมั่นถือมั่นแต่มันรู้ รู้แล้วไม่หลงไม่ลืมมันแนบแน่นอยู่ภายใ น, ในใจิตใจนั้นเรียกว่ามีสัญญามีปัญญาลบรู้เพราะมียานปัญญาเกิดขึ้นยานปัญญาเกิดขึ้นหรือปัญญาลบรู้หรือสัญญาสามอย่างนี้แหละมันพร้อมๆกันอยู่แต่พูดพร้อมกันไม่ได้เราจึงอ่พูดเป็นคําเป็นคําไป เมื่อไม่พูดเป็นคำเป็นคำจะพูดเพิบทีเดียวมันพูดไม่ได้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมจึงเป็นวิธีง่ายๆไม่ต้องไปทรมานกายไม่ต้องไปทรมานใจเมื่อเรานั่งลงไปปวดแข้งปวดขาปวดหลังปวดเอวต้องเปลี่ยนอิรลียบทลุกขึ้นเดินก็ได้หรือเปลี่ยนอิเลียบทก็ได้ไม่ต้องทรมาน อันนี้เพราะว่าศึกษาธรรมะกับธรรมชาตินั่นเดีแต่ไม่ต้องไปเห็นอะไรนิมิตก็ไม่ต้องไปเห็นอะไรไม่ต้องไปเห็นสีแสงผีเท ว, วดานรกสวรรค์หรือพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปอะไรอะไรทั้งหมดไม่ต้องเห็นอะไรอันนั้นมันเป็นนิมิตมันเป็นมายาของจิตใจนึกคิดเพราะเราไม่รู้จิตไม่รู้ใจ จิตใจเศร้าหมองจิตใจมีกิเลสจึงหลอกลวงตนเองมีคําโบราณท่านสอนเอาไว้จิตใจคนนี่เหมือนกับเหรียจิตใจคนนี่เหมือนกับเหรีกับผู้กับออกอเอยเป็ื่นปอกหลอกตนทั้งนจิตใจคนนี่ลอกแวก อ, อกกลั บ, บได้ไวดุจมีลานไข่ในตนเราท่าน วันบังคับปนให้จิตยนหมูนมาแต่ในทางข้างนี้เพราะปล่อยให้จิตใจหมูนไปในทางข้างขี้คําว่ามูนไปทางข้างขี้ก็หมูนไปทางข้างกิกลงงกเลสนั่นเองทาที่มีก็จะมีจักหน่ายหายสูญคําว่าทําที่มีจากมีจักหน่ายหายสูญคือไม่รู้สึกตัวไม่เปลนตัวไม่รู้สึกใจไม่เปลนใจ อันนั้นเนี่ยหนีไปจิตใจจะมาหลอกลวงตนเองได้เมื่อจิตใจมันหลอกลวงตนเองเพราะทำที่ผมรู้สึกด่วนห้ไปนะทาเข้าคอบงําโามระยสำสมบูรณ์ปีนปอกหลอกตอนจิตที่เป็นระยำเพราะว่ามันเป็นอกุศลทางธรรมะท่านได้ว่า วิชาแปลว่าผมไม่รู้วิชาบ่านีิแปลว่าผมรู้แต่ว่าอวิชาแปลว่ารู้ผิดรู้ไม่อยู่ด้วยสัญญาไม่อยู่ด้วยญาณปัญญาไม่อยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยความหลงอยู่ด้วยโสะอยู่ด้วยโมหะดูด้วยโลภะว่าอย่างนี้ยก็ได้ คนเมื่อหลงตนลืมตัวแล้วก็มีดีใจเสียใจโกรกเกียดบางทีมีคนอื่นพูดให้โอขึ้นมาเนี่ยเพราะไม่รู้สิดตัวไม่ตื่นตัวไม่รู้ถึกใจไม่ตื่นใจนี่เองเรื่องนี้ผมเคยทำมาแล้วกอสมควรจึงนำมาพูดมากล่าวมาสักเตือนให้พวกเรา ให้เราพูดกันว่าเมื่อเราไปทําบุญก็ดีไปรักษาศีลก็ดีไปทํากรรมฐานก็ดีนั่งภาวนาพวดแขงปวดขาปวดหลังปวดเอวก็อดทนเอเมื่อนั่งภาวนาพอสมควรภาวนาพุโทโธก็ตามหรือสัมมา阿拉หังก็ตามนับมือสองสามก็ตาม ของยุบกาตามหรืออาณาปานาสติปตามเมื่อนั่งภาวนาออกจากสมาธิแล้วก็ไปขวดน้ำเพื่อสรรพสัตถ์ทั้งหลายแต่ตัวเองก็ยังทรมานตัวเองอยู่จะไปโปรดคนอื่นได้อย่างไรลองพิจารณาตัวเองตัวเองก็ยังมีทุกข์อยู่แล้วจะไปให้คนอื่นมีสุขได้อย่างไร อันนี้เป็นการเข้าใจถูกน้อยไม่ถูกมากถ้าหากพูดเก็เพียง 50% บเซเท่านั้นเองไม่ถึง 60% สซดังนั้นจึงว่าการทำการพูดการคิดเป็นการฝึกหัดจิตใจตัวเองให้จิตใจตัวเองของใสว่องไวเห็นแจ้งรู้จริงตามความเป็นจริง คำว่านิมิตก็หมายถึงให้เรามีสติจิระการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายเนะจิตใจมันนึกมันคิดเป็นนิมิตเป็นเครื่องหมายให้เรารู้เท้ารู้ทนรู้จักกันรู้จักแก้รู้จกกัจ ก, ก, จกเอาชนะได้เมื่อเป็นนั้นจังเป็นการไม่ทรมานตัวเองเป็นการไม่ทรมานคนอื่น คำว่าทรมานตัวเองเนี่ยเราให้เข้าใจจริงจริงตาปกติคนมันต้องลืนตาหรือพวกแขนกวดขากวดหลังกวดเองอันนี้มันเป็นหน้าที่ที่ไม่ต้องทรมานอย่างที่ทุกขังอ น, นิจจังอนัตตนั้นอันนั้นไม่ได้เป็นการทรมานเราภาวนาหรือเคลื่อนไหวทางรูป ก, กายเดียว รูกกายลูกที่มองเห็นด้วยตากายก็จับถูกด้วยมือมองเห็นด้วยตาถ้าพูดเป็นภาษาทางธรรมก็เดียวรูปนามถ้าพูดตามภาษาสาวบสวัสดิ์กายกับใจให้เราฝึกสิ่งเหล่านี้มีความรู้มีความเข้าใจทราบซึ่งกับการเคลื่อนไหวอย่างที่ พ่อแม่หรือครูบาอาจารย์สอนอะไรให้มีสติกำหนดรู้ในอิทยาบททั้งสี่ยืนให้มีสติรู้เดินให้มีสติรู้นั่งให้มีสติรู้นอนให้มีสติรู้อันนี้เป็นอิทธิบทใหญ่ๆมองไกลๆก็เห็นแต่เท่านั้นก็ยังไม่พอ เพราะมีความหมายอย่าง น, นมีความหมายอยากให้เรามีสติแลกอามีสัญญาญาณปัญญาจะเกิดขึ้นปัญญาจะรบรู้จะได้รู้ทุกขังอนิจังอนัตต า, า น, นี่เองเบื้องแรกอย่างนั้นท่านจึงสอนให้เรามีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอรืยบทย่อยเข้าไปอีกเพราะ อนิยามบทใหญ่ๆนั้นบางคนอาจจะรู้ได้บางคนอาจจะรู้ไม่ได้เพราะมันเป็นอนิยามบทใหญ่สอนให้เรามีสติเข้าไปกำหนดรู้ในอนิยามบท ย, ย่อยผู้เหยียดเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้มือคนมันนั่งนิ่งๆอยู่ไม่ได้เดี๋ยวก็พลิกมือข้อมือเดี๋ยวก็เหยียดแขนเหยียดขาเนี่ยนวตจิตใจของคนเหมือนกับลิงทันวันวันนั้น ดังนั้นท่านจึงสอนเพื่ออะไรก็เพื่อให้รู้ในอิทบุตรย่อยนี้เองเช่นทิพตาก็รู้เลือด้ายแหลกหัวก็รู้ก้เงยเอียง้า้เอียงหัวก็รู้กืนน้ำลายเข้าไปในลำคอกอรู้สิ่งเหล่านี้คนอื่นมองเห็นหายใจเข้าหายใจออกเหล่านี้คนอื่นมองเห็นให้กำหนดทำไมเพื่อให้รู้ ให้มีสัญญาให้มียานปัญญาเกิดขึ้นเนื้อกระปัญญารอบรู้รู้ทุกขังอริยังก์อนัตตารู้รูปลู่นามรู้สมมติรู้ศาสนารู้พุทธศาสนารู้บาปรู้บุญรู้สิ่งเหล่านี้แหละแก่แจ้งเรียกว่าจิตใจแก่แจ้งจิตใจของใสจิตใจว่องไวจิตใจขาวสะอาด ยิงว่าเมื่อจิตใจว่องไวขาวสะอาดดีแล้วตัดสินใจลงไปด้วยปัญญารอบรู้จะไม่พลาดผิดจึงจะไม่เป็นการทรมานตัวเองจิ่งว่าการทําพูดคิดอะไรต่างเราต้องมีสัญญามียานปัญญามีปัญญารอบรู้ท่านว่าอย่างไร เราก็คงจะเคยได้ยินมาแล้วว่าเมื่อถึงที่สุดแล้วญาญย่อมมีคว่าญานย่อมมีนี่ก็หมายถึงสัญญาจำได้ญาญย่อมเห็นแจ้งปัญญาต้องลอบอยู่ตัดสินใจลงไปเพราะจิตใจค่องใสฝึกตัดฝกลมดีแล้วอันวน่าอย่างจึงจะไม่พัดจิดังนั้นจึงว่าไม่ต้องทรมานตัวเอง อย่างที่เป็นนั่งหลับตาภาวนาคนเราเมื่อนั่งหลับตาภาวนาปวดแข้งปวดขาก็ปวดหนอปวดหนอจนมันลืมไปนั้นเท่นด้วยอุปาาทานทําด้วยความยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปทานอันนี้แหละที่นามาซี้แจงแสดงสู่ฟังในวันนี้แต่คนอื่นนั้นจะมีคนเห็นอย่างไงไม่ต่าง สำหรับตัวของผมหรือตัวของอาตามานีได้ทำอะรมีความเข้าใจอย่างนี้นเรียกว่าแต่ยึดอะไรเขาเป็นอุปทานแต่ยึดเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเรียกว่ายึดมั่นถือมั่นไม่ป่อยไม่ตะดไม่หลงไม่ลืมเนี่ยมันเป็นอางอันนี้แหละที่ว่าทําเราได้เป็นไปควอบเบียดเดียนตนเองเนี่ จนเองทําอยู่ก็ไม่รู้สี่ว่าเบียดเบียนตัวเองทําเราได้เป็นไปทุกหัวเบียดเบียนคนอื่นไ ม, ไม่รู้ตัวเองความจริงสอนคนอื่นให้คนอื่นทำเป็นการเบียดเบียนคนอื่นนั้นไม่ใช่เป็นธรรมนั้นไม่ใช่เป็นวินัยนั้นไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าขั้นสอนของนั้นดังนั้นเราก็ยังทําอยู่ ทำเราได้เป็นไปเพื่อความไม่เบียดเบียนตนเองและไม่เบียดเบียนคนอื่นนั้นแหละเป็นธรรมนั้นแหละเป็นวิ น, นัยนั้นแหละเป็นคำสอนของพระ พ, พุทธเจ้าที่ว่ามีการเปลี่ยนแปลงในอรยิยบทเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในอริยบทขรดอกเป็นนิมิตนิมิตละเครื่องหมายเครื่องหมายก็มีสติรู้และรูกได้ นักจะเรียกว่าสัญญาพอได้อันรู้อันละลึกได้นั่นแหละเรียกว่าสัญญาพร้อมด้วยปัญญาพร้อมด้วยอย่างที่จะเข้าไปรู้ได้ดังนั้นจึงว่าไม่ต้องยึดมั่นถือมั่นการยึดมั่นถือมั่นในลูกในนามการยึดมั่นถือมั่นในความคิดเป็นความผิดทั้งนั้นแต่คนอื่นนันจะเห็นว่าถูกต้องพอได้ แต่สำหรับตัวของผมหรือตัวของอาตมาเข้าใจว่านี่ที่เราทำผิดมาแล้วความผิดนั่นจึงเป็นครูแสดงให้เรารู้ว่านั่นควมผิดแต่อย่าทำผิดต่อไปเมื่อเราทำผิดในขนาดไหนเวลาใดแล้วนั่นแหละเป็นการบียดเบียนตัวเองแม้ลึกเข้าไปกว่า น, นั้นการทำดีก็าตามที่เราจะทำบุญ ไปยึดในบุญท่านว่าทําบุญไม่ต้องเอาบุญ ท, ทําเสยเสถอะเนีแม้จะเริ่มวิปัสนาพอเช่นเดียวกันทำเสยเสยเพียงรู้สึกตัวเสยเสยรู้แล้วก็แล้วไปรู้แล้วก็แล้วไปเคลื่อนไหวโดยวิธีได้รู้แล้วก็แล้วไปมันนึกมันคิดเห็นแล้วก็แล้วไปอยู่กับความรู้สึกอยู่กับปัจจุบันอย่าง ไปอยู่กับอดีตอย่าไปอยู่กับอนาคตคนเรามันชอบไปอยู่กับอดีตบ้างชอบไปอยู่อนาคตบ้างไม่ชอบอยู่กับปัจจุบันถึงอยู่กับปัจจุบันก็อยู่โดยความไม่รู้นั่นเองจึงเป็นอย่างนั้นดังนั้นการพูดธรรมะให้ฟังวันนี้ก็พูดเอาเต็มเนื้อหาสาระที่จะไปใช้ได้จริงๆการทําบุญก็ไปยึดในมื าลารรักษาศีลก็ไปยึดในการรักษาศีการไปทำกรรมฐานก็ไปยึดทานไปยึดผมสงบการทำวิปัสสนาก็ไปยึดทานยึดแลต่างๆเหล่านั้นการเข้าไปยึดมัน่นถือมัน่นถาวรพาลาหาเวปัญจขันทานขันทังห้าเป็นของหนักเนินพาลาฮาโลจะ บ, บุคโลบุคคลผู้แบกของหนักขาไป อาลาทานังทุกขังโลเกการแบกของหนักเป็นความทุกข์ในโลกเราเคยตวจกันมะเท้ามัดเด่แต่เราไม่เข้าใจพูดได้อย่างที่ว่าเราเคยพูดกันบ่อยๆคือความเบื่อห น, น่ายท่านวิลาภ ค, ความเบื่อห น, น่ายแต่เมื่อเราไม่รลียน มันจะไม่เบื่อไม่นานผมเคยพูดบ่อยๆผมไปอบรมทีแรกผมติดบุหรี่การทำดีเช่นทำบุญผมก็ต้องมีมวลบุหรี่หรือมีอะไรต่างๆไว้ถวายพระเจ้าข้าสงฆ์หรือเพื่อคนเฒ่าคนแก่เนี่ยเข้าใจอย่างนั้นอะ่ะเมื่อมารู้แจ้งเห็นจนะออริงแล้วบื่อเลย ผมเลิกได้มี่อวิราภะผมขายสำนักเบื่อแต่เราไม่เข้าใจยึบมุตคือความหุดคน้นเมื่อเราเลิกละจากสิ่งเหล่านั้นแปลว่าเราหุดพ้นเห็นแจ้งรู่จริงว่ะความเป็นพุกเกิดขึ้เ น, เนเพราะเราติดเพราะเราไปยึดไปถือถ้าเราไม่ติดเราไม่ยึดไม่ถือสิ่งนั้นจะทำอะไรให้เราไม่ได้ สิ่งที่เราไปติดไปยึดไปถือนั้นก็เพราะเราเป็นอารมณ์ไปยุ่กับอารมณ์อดีตหรืออนาคตปัจจุบันมันนี่เองดังนั้นกิเลสพันห้าัญหา้อยแฝงก็เกิดที่ตรงนี้ถ้าหากเป็นกิเลสพันห้าก็คืออดีตห้าร้อยอนาคตห้าร้อย ปัจจุบันห้าร้อยเพราะเป็นกิเลสพันห้ามันเกิดขึ้นที่ตรงนี้เองไม่ได้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เองถ้าเป็นปัญหา1อยแปดแบบนี้ก็มันเกิดขึ้นในอดีตสามสิบหกในอนาคตสามสิบหกปัจจุบันสามสิบหก เป็นตัณหา้อยตัวมันก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้เองไม่ได้เกิดขึ้นที่อื่นเราไม่เข้าใจเพราะเราตายไปอยู่กับอดีตอนาคตปัจจุบันก็อยู่ด้วยงคมหลวงนั่นเองจึงไม่มียานปัญญาวิปัศนายานจึงไม่เกิดเพราะเราไม่มีสัญญาปัญญาจึงไม่หลุดลอเมื่อ เมื่อไม่เข้าใจแล้วบังเพราะทไปตามคําพูดคําสอนของครูอาจารย์เราเคยได้ยินบ้างไหมเมื่อไม่เข้าใจแล้วบัทําไปตามคําพูดคําสอนของครูอาจาร ย, าารย์เราเคยได้ยินบ้างไหม ข้าพุทธเจ้าของเรานี่เองไปศึกษาเล่าเรียนอยู่กับครูอาจารย์เนี่ยอาร า, า, า, าดาบุตรพระาดาบุจนได้สมาบัติแสงถ้าโอเปเรียนนั้นก็เพราะไม่รู้นั่นเองเมื่อไม่รู้ก็ทำตามครูอาจารย์เมื่อทำเหมือนกับครูอาจารย์แล้วเข้าตามออกตามห้องแค่ววองไว้เหมือนกับอาจารย์ทุกอย่าง มดนคนรูที่จะสอนเราให้เผยแพร่ให้ประกาศธรรมะที่เรียนจากเรานี้เองพระองไม่พอใจเห็นว่าทางนี้ยังดับทุกไม่ได้อันนี้แสดงว่าทางนี้ไช่ทางทางนี้ไช่ทางเราพุกได้แต่เราก็ยังเป็นทางปฏิบัติยังไปทรมานตัวเองอยู่ยังเบียเดเบียนตนเองอยู่ลาไส้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 เขาทำกันมาอยากเชื่อถือโดยว่าเห็นมีอยู่ในตำราหรือํำพินะครับพทุทธเจ้าหรือจะเป็นใครก็ตามทำไมท่านห้ามอย่างนั้นก็เพราะว่าโรวบาอาจารย์มีมากแล้วแต่ใครจะสอนเรื่องอะไรไปบันทึกไว้ในตำหรักต่างนเอามาอ่านมาสอนกันเมื่อม่ไม่เข้าใจ อสอนกันจําได้หมายรู้สัญญาจะเป็นจําไม่ได้สัญญาเกิดจากญาณปัญญาไม่ใด้สัญญาเกิดขึ้นเพราะการฝึิตั้ใจเมื่อสัญญาเกิดขึ้นจากญาณปัญญาเมื่อสัญญาเกิดขึ้นจากญาณปัญญาเมื่อสัญญาเกิดขึ้นเพราะปัญญารอบรู้จําได้หมายรู้จึงว่าการศึกษาธรรมะนั้นต้องเข้าใจ ถ้าไม่เข้าใจแล้วจะหลงจิตเพราะว่ามันมีหลายคนพูดคนสอนที่ผมพูดนี่หรืออาจจะมาพูดนี้ก็ไม่เสือถือเพราะว่าผมคิดผมเห็นของผมหรืออาจะมาเช่นเช่นนี้จึงเอาเรื่องนี้มาพูดเพื่อเป็นการเตือนกันหรือเสนอถนอข้อคิดเห็นวิธีที่อาจะมาเอามาทำ ก็เป็นวิธีได้น่ายเคลื่อนไหวโดยวิธีใดก็ให้หนึ่งแต่ไม่ให้นั่งนิ่งนง่ไม่ให้หลับตาเมื่อปวดแข้งปวดขากระติก เ, เปเลี่ยนเรื่อยเรี่ยเรีกว่าเปลี่ยนอิเล็กบด บ, บ่อยๆไม่ต้องทรมานตัวเองและจิตใจมันนึกมันคิดจะเมตตาสงสารคนนั้นคนนี้เมื่อจิตใจของเรายังมีทุกข์อยู่ตัวเองก็ยังมีทุกข์อยู่ จะไปเมตตาคนอื่นไปสงสารคนอื่นนั้นอันนั้นก็เมตตาสวมเมลุอยอย่างที่เราปวดหน้าทัดทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขอย่ามีกรรมมีเวรซึ่งกันและกันเนี่ยเราไปปวดหนา้าเอกตัวเองก็ยังเป็นทุกข์อยู่จะให้คนอื่นเป็นสุขได้อันนี้ตามสมคิดหรืออาจจะมาที่ว่าเป็นการยังไม่สมควร เพราะตัวเองยังเป็นทุกข์อยู่ตัวเองก็ยังมีเวนมีกรรมอยู่และจะให้คนอื่นพ้นไปได้โดยวิธีไหนเราไปเคื่อนในความวดน้ำํำทาคำหนึ่งว่าตัดทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญที่ข้าพระเจ้าได้แบบกระทำลงไปแล้วไว้ยยังไงเราจึงพากันมาขวดน้ําทําบุญเล็กเล็กไมน้อยกว่าวดน้ําอะไรอะไรทั้งหมดแหละ มีคนไปพูดไปถามบ่อยเรื่องวดน้ำเนี่ยแ่มันก็ดีไม่ใช่ผิดคำว่ากวดน้ำเนี่ยทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญที่ทพระพุทธเจ้าได้กระทำลงไปแล้วในบนัดมืเราต้องทำตามพระพุทธเจ้าเราต้องทำตามพระพุทธเจ้าและควมเห็นความนู้ความเข้าใจจะสัมผัส เหมือนกันกับพระพุทธเจ้าจังมีส่วนที่จะรู้จ ะ, จะเห็นจะเข้าใจเหมือน ก, นกันกับพระพุทธเจ้าแล้วท่านยังเปเทศเป็นคําพูดคําสอนอะไรสักทั้งหลายคือเราจะถากพดสักทั้งหลายเหมือนเราจะถากพดคือกันเมื่อยังไม่รู้ก็งมคุ้นงมชี้จากนน้นจากนี้เนี่ยเพราะไม่รู้เรีอนจากครูอาจารย์มาแล้วเห็นว่า ไม่เป็นทางแก้ปัญหาตัวเองดับทุกไม่ได้ไม่พอใจไม่พอทะาทยว่าอย่างนั้นเนี่ยออกมาอดข้าวอดน้ำนี่ก็เป็นการทรมานตัวเองแล้วก็ยังทำเราก็ยังขาว่ า, าพระพุทธเจ้าแก้พวมจรสิ่งเหล่านั้นไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าเราเห็นลูกว่าดเขียนออกมามีเกระลูกสังฆะ มีเต้นหนังเป็นกระดูกนับลุงกันเอาไว้ทำหน้าท้องซ่อนหลังท้องทาหลังท้องซ่อนหน้าท้องเพราะไม่มีอะไรและพระองค์ทําขนาดนั้นแหละไม่มีคนใดจะทําทได้เหมือนกับพระองค์ก็เห็นว่าทางนี้ก็ไม่ใช่ทาเลิกล้มจากคนเห็นสฏิเสธเนียการทรมานตัวเองเห็นได้ชัดทีเดียวคนใดมีปัญญาเว้นแต่คนยัง ไม่มีปัญญาก็ไม่เข้าใจไม่มียานปัญญาก็ยังไม่เข้าใจเพราะไม่มีสัญญาตามปัญญาไม่มีสัญญาตามยานปัญญามันก็ไม่รู้พูดให้ฟังก็ไม่เข้าใจคนใดมีปัญญาคนใดมีสัญญาคนใดมีญานปัญญาจะเกิดขึน้นนี้ห ว, วังจำได้แก้ไขตัวเองทันที ที่เราหลงผิดเนี่ยต้องปเปงานเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์มาขันเหนืไม้เนื้อจิงข้าวหนังศุตสดาเนื้อหนังข้นๆบริบูรณ์ดีแล้วเราเคยได้ยินว่าเอาขันหนังศุตสดาไปถวายนั่นเนอไปอธิษฐานลี น, นหนืนาำว่าหากข้าพระเจ้าจะได้กัตสัูุเป็นพระพุทธเจ้า ธาตกิเลสตายธาตกิเลสหลุดเอาสนะได้วางธาตุคือขันใบนี้ลงบนถือน้ําให้มันควรกระแสขึ้นไปถึงจนน้ำไปในทางตรงกันข้ามขากจะไม่ไตัดทะลุไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าธากิเลสไม่ตายธากิเลสไม่ออกดับทุกข์ไม่ได้วางขันหรือธาตุใบนี้ลงไปบนผืนนให้มันไหลไปตามกระแสของน้ำ อเดวาหนุไปแล้วก็ทวนกระแสของน้ำน้ า, น, านั้นให้เราเขา้าใจว่คือควมคิดสัญญาอุปาทานมันไหลไปแต่ข้างต่ับไหลไปในทางที่ติดติดท่านเรียกว่าอวิชาสิควมไม่รู้ เ, รเมื่อทวนกระแสของความคิดมันคิดมาลู่เทาลู่ทันลู่จักกันลู่จัดแก่ลู่จัดเอาชนะไม่ได้เลยทวนกระแสของน้ำ ไปถึงต้นน้ําก็คือไม่นอนหลับทับผิดไม่หลงผิดนั่นเองตามความเข้าใจผมคิดอย่างนี้แค่ก่อนผมกระนวดเป็นน้าจริงๆแต่ความจริงแล้วเราเคยได้ยินแด้ฟังแต่ไม่รู้ไีความมายไม่ออกถ้าคนเจ้าตัดจะรู้เพราะการ ท, ทําทางจิตตัดจะรู้เพราะการ ท, ทําทางจิตนะคําว่า ท, ทําทางจิตทางใจเนี่ยทํำยังไง ไม่รู้ผมไม่แต่ท่านเคยสอนมะาทุกต้องกำหนดรู้สัมมุทัยต้องละมักต้องเจริญนิโรธทำให้แก่อันนี้ก็จำได้เรียกว่าจเจริญสติปัญหาเจริญนิปัสนานุเจริญอะไรก็ได้เพราะท่านสอนม้เลยคำว่ามักต้องจเจริญนิโรธทำให้แก่ หมายของวันทุกต้องกําหนดรู้เตรียบเทียบให้รู้ทุกในทุกวันให้รู้กายญานุปัสสนาคือ ก, กายในกายให้รู้เวทนาในเวทนาให้รู้จิตในจิตให้รู้ธรรมในธรรมพูดได้อย่างไ้คําว่ากายญาณุปณัสสนาให้รู้เพื่ออะไรก็รู้การเคลื่อนไหวของกายนี้เอง กายในกายนอกที่ไห น, นให้รู้กายในกายให้รู้การเคลื่อนไหวของกายมันมีเรียบทีนี้ท่านนะกายอย่างนี้นะท่านเยทานานุปัสนาให้รู้ทุกขะเวทนาเมื่เรานั่งนาำเนี่ยให้รู้ท่านวางยาไปทรมานมันกายเรจิตตาโนปัสนาจิตใจมันนึกมันคิดก็ให้รู้จึงให้รู้ รู้เท่ารู้ทำรู้จักกันรู้จากแก้ทั้งหมดธรรมานุปัสสนาทำในธรรมให้รู้การทำการพูดการคิดเนี่ยทำในธรรมจับไม่ถูกเรื่องมองไม่เห็นเรื่องกาดเห็นหน้าเห็นการเห็นละเอียดลึกเข้าไปลึกเข้าไปดังนั้นตุ ป, ปมาเหมือกับต้นไม้ต้นไม้มันต้องมีใบมีกิ่งมีเปลือกมีตาที มีแกนมีแกนที่ผมพูดนี่ผมไม่ได้พูดกับธรรมะธรรมาเพราะผมไม่เคยเรียนหนังสือแต่ผมได้ประสบการณ์อย่างนี้จึงนํามาเล่าสู่ฟังบัด น, นี้เทว่าทุกต้องกําหนดรู้คือให้รู้การเคลื่อนไหวพ่อรูปนี่มันเป็นทุกสมุทัยต้องะ่ะคือความคิดนันละเหมืนเดียด พอดีมันคิดเข้ามาแล้วก็รู้นั้นรู้ น, นรู้ไปตามความคิดเรามากำหนดความรู้เรามารู้สึกอยู่ตรงนี้ความคิดมันลุกไปเองมันวางเองมันเพราะมันมารู้สึกนี่นรู้สึกแล้วควมไม่รู้ก็หายไปเมื่อคมไม่รู้เกิดขึ้นควมนี้ก็เกิดขึ้นใราเพราะมันเข้าไปอยู่ในความคิดหมดแล้วมันก็รู้เรื่องนั้นเรย่นี้ไ่ความคิดมันลากไปดึงไป เรีาอารมณ์ลากไปดึงไปปัจจุบันลากไปดึงไปอดีตลากไปดึงไปอนาคตลากไปดึงไปคิดเรื่องอดีตบ้างคิดเรื่องอนาคตบ้างกำลังคิดเป็นปัจจุบันก็คิดไปเพราะไม่รู้ถ้าจริงสอนว่าทุกต้องกำหนดรู้ให้มันรู้การเคลื่อนไหวนี่มันเป็นตัวทุกเหมือนเป็นตัวทุกเลอะทุกขังอนิจจันตน า, ตา บังคับบรรดาไม่ได้ทุกครั้งมันติดอยู่กับในพูเอันนี้จังไม่เที่ยงทันวั น, นเราจึงมามองเห็นว่าการทุกอยาจบจะดึงความทุกละเอียนออกมาให้มาอยู่กับความทุกหยาบจนะึงจะเห็นว่าสภาพอารมณ์ที่มาแล้วมันเป็นทุกมันเป็นทุกทางวาัความทุกประเทศนั้น จ, จับจไม่ได้มองไม่เห็นด้วยตาจําเป็นจะรู้ได้ด้วยญาณจะรู้ด้วยสัญญาจะรู้ด้วยปัญญ า, ญญาและจะออกได้ด้วยสัญญาจะออกได้ด้วยญาณจะออกได้ด้วยปัญญาจุ๊กคนคนมันหมายถึงสิ่งที่ลึกซึ้งละเอียดถุกคุมยากบุคคลจะเข้าใจได้ท่านจังหวัด สมมติบัญญัติมันสมมุติพูดปรมัดบัญญัติปรมัรดแปลของจริงอัธยบัญญัติจะเป็นมักแต่ก็ได้หรือว่าลึกซึ้งก็ได้ญาบุคคลที่จะรู้ได้อริยบัญญัตินี่ยเป็นอริยบุคคลแล้วก็ยังได้เอาสมมติมาพูดเรียกอริยะบัญญัติคําว่าอริยบัญญัติหมายถึงอริยบุคคล อาลิเรลาค่าสุดเนี่ยเแต่คนไปหรือเป็นค่าสุดเป็นศัตรูคำว่าเป็นค่าสุดเป็นศัตรูดังหมายถึงโทสะโมหะโลภะเป็นศัตรูกับสติสมาธิเป็นศัตรูกันกับสัญญากับยามเป็นศัตรูกันกับปัญญา น, นี่มันเป็นศัตรูกันมันตรงกันข้ามเหมือนขาวกับดำ เมือ่อตัดสวา่าหนักตับเบามันผิดกันอยู่ที่ตรงนี้ดังนั้นท่านจึงสอนหลังกิเลสข 1, 5, าาลนันหา้ามาจากตาหอจมูกเลี้นงไตใจทั้นหาล้อยแย่ต่อมาจากตาหูจมูกเลีน้นงายใจมันยาวเมื่อพูดเข้ามาให้กันมาจากอาดีตบ้างมาจากอนาคตบ้างมาจากปัจจุบันบ้างอันปัจจุบันนั้นอยู่ด้วยอริธาน มันก็พาเราไปทางที่ผิถ้าหากดูด้วยปัญญามันก็พาเรามาปฏิบัติที่ต้องทันว้นอย่างนี้นดังนั้นการนํำธรรมะมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เพื่อต้องการพูดพวงจนถึงจะนานพูดมาเนี่ย่อนานพอสมควรแล้วเพราะว่าการอบรมกันแต่ละปีแต่ละครั้งละหนก็พยายามพูดธรรมะ เพื่อความเข้าใจนําไปปฏิบั tn ี้เองถ้าหากเราไม่พูดไม่พี้ไม่แม่แนวให้กันนะมันก็หลงอยู่ดย่นั้นจึงไม่ต้องรองไม่ต้องรองไขเราต้องเชื่อมั่นในการกระทําของตัวเองให้มันถูกต้องกับหนังสือกลามสูตรนั้นนาไม่ต้องเชื่อใครทั้งนะั้น แม้ครูบาอาจารย์ทั้งกสอนดไม่ต้องเตือนไม่ให้เตือนท่านสิบข้อหนังสืกะะะสอกลธรรมสูตรอบเอาไวา้และทำเราใดเป็นไปเพื่อความเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนคนอืน่นนั้นก็ไม่เป็นธรรมนั้นก็ไม่เป็นวินัยนั้นก็ไม่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าพูดให้สั้นทำเราได้เป็นไปเพื่อวไม่เบียดเบียนตนเองและ ไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละเป็นธรรมนั่นแหละเป็นวินัยนั้นแหละเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านอย่างนั้นคําว่าไม่เบียดเบียนตนเองนหมายถึงอะไรไม่เบียดเบียนคนอื Rio, er? ่นหมายถึงอะไรไม่เคยคําว่าไม่เบียดเบียนตนเองเนี่ยถึงจะทําดีก็ตามเราเป็นนั่นกรรมฐานก็เป็นการทําดีแต่มันเบียดเบียนตนเอง เพราะนั่งเจ็บแค้เจ็บขาทรมานตัวเองเนี่ยยังไปนอนอย่างไสเอกเทมไปแทนไม่นุ่งเสื้อไม่นุ่งผ้าไม่กินข้าวไม่กินน้าอดทนเอาเนี่ยอันนั้นแล้วเบียดเบียนตัวเองแล้วคิดอย่างนั้นทรมานกายทรมานใจเนี่ยทํานี้ก็ยังผิดอยูน่นะบางทีมันคิดตายไปคนนั้นคนนี้ไปอดเดชบ้าง ไปอนาคตบ้างไปปัจจุบันเพราะผมไม่รู้บ้างอันส อ, สอน่ให้รู้ให้รู้ให้รู้อะไรก็ให้โลกการเคลื่อนไหวนี้เองถูกไหทุกต้องกำหนดรู้สมมุิไทยต้องลนะมักต้องเจริยนี่โลดทาให้แจ้งก็มารวมอยู่จุดสำคัญคือปัจจุบันอันดูแจ้งนเองอเด่นนั่นไม่ต้องคำนึงคำนึอนาคตไม่ต้องคำนึงคำนึง อยู่กับปัจจุบันลู่กับปัจจุบันก็ไม่ใช่ว่าอยู่ด้วยผมไม่รู้ความหลงผิดไม่ใช่อย่างนั้นอยู่ด้วยคนรู้แจ้งอยู่ด้วยสติอยู่ด้วยสมาธิอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วยสัญญานู้นสึกตัวนี่แปลนว่าสัญญานู้นสึกตัวคือสัญญานู้นสึกใจคือสัญญารู้นสึกตัวรู้นสึกใจธรรมะพุด ตัวฝุดใจให้เป็นตายทิพย์ให้เป็นตาทิพย์ให้เป็นหูทิพย์เยาว่าจึก ป, ปัญญาสัญญาเมื่อมีตาทิพย์มีหูทิพย์มีกายทิพย์สมบูรณ์เนี่ปัญญาหรือสัญญาก็เกิดขึ้นเป็นมนุษย์ย่าจากคนเป็นคนมา ทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงมาคนจึงแปลว่าควรคนจึงแปลว่ามีของหลายอย่างเลือกคัดจัดาามาทำมใช้ได้ก่อนที่จะเลือกคัดจัดาามาทไมใช้ได้เด็มนุษย์ใจสูงเพราะจิตใจสูงแล้วจึงมองเห็นสภาพอะไรหวนอะไรไม่ควอะไรผิดอะไรผูยกยัดยังสั่งใจได้เพราะฝุกหัดใจฝุกหัดใจ ชุดกรมเท็จทองใสจิตใจสะอาตดตัดสินใจเพราะด้วยปัญญาเห็นแจ้งรู้จริงจะไม่ผ่านการทำการพูดการคิดติดปะน้อยที่สุดเพราะเราเป็นปอุุู้้นเท่านั้นดังนั้นจึงเมื่อจิตใจเปลี่ยนแปลงจากวามเป็นคนแล้วก็ต้องเป็นมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์แต่ร่างกายก็ยังเป็นคนอยู่นั่นเอ แ้่จิตใจนั้นไม่ได้ผลแล้วเมื่อเป็นมนุษย์สมบูรณ์แล้วทำทุกข้องกาหนดรู้มากต้องเจริญ น, นิโลธจึงทาให้แจ้งนิโลธจึงทาให้แจ้งสมุทัยละละได้เพราะอะไรเพราะรู้แจ้งรู้มากเข้ามากเข้าละควมหลงผิดเข้าละการยึดมั่นถือมั่น ละการเบียดเดียนตนเองละการให้วาอุปาทานคำทนสั้นๆละ ร, รู้แล้วปล่อยไปรู้แล้วปล่อยไปอยู่กับปัจจุบันด้วยสัญญาด้วยญาณปัญญาด้วยปัญญารอบรู้รวมเป็นเทวดากอมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นควมเป็นมนุษย์พสมบูรณ์แล้ว วอมเป็นเทวดาก็มากขึ้นมากขึ้นเมื่อสมบูรณ์เนก็เป็นเทวดาเราไม่รู้ว่าสมมุติกักเทวดาอุปัตติจักเทวดาวิสุทธิเทวดาเมื่อพูดถึงสวรรค์แล้วก็นึกถึงเทวดาทันทีเลยเพราะเราตายไปอยู่กับอารมณ์กับอดีตอนาคตเมื่อปัจจุบันก็ผ่านไปเพราะมีคนพูดคนสอน ดังนั้นจึงไม่รู้สมสมุติอี่นสมมุติกะเทวดาก็คือสมมุติผู้ในบ้านกำนันเป็นเทวดาของโมบ้านนั้นหรือบิดามาดานเป็นเทวดาของลูกอะไรเป็นเทวดาแ่ว่าสมมุติกะเทวตุปัิกะเทวด า, วดาคือจิตใจมีความละอายนิสุทธิเทวดาเพราะมีสัญญา มีญาณปัญญามีปัญญารอบรู้ดังนั้นจึงมีความสุขมีความสบายกายสบายใจมีสุขทางโลกียะมีสุขทางโลกุตละเพราะว่าสุขไม่มีทุกข์ไม่เกี่ยวพนุทุกข์ทั้งจิตวะโลกุตละธรรมโลกียะเมื่อเป็นคนก็มีคนสุขเพราะมีทัพย์ มีสมบัติมีเงินมีท้องทั้นี้มีธรรมะของใจเราเคยได้ยินครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังในประเทศอินเดียมีพระเจ้าพิมพิสารมีนาวิสาขายังมีครอบครัวหัวมีมีความสุขด้วยมีทรัพมีความสุขด้วยมีคุณธรมีความสุขด้วยโลิภะ มีคมสุขเมื่ลอลวงพันละท่านว่อย่างนีคำว่ามีคมสุขคามหมายถึงรู้ทำเห็นทำมาดูได้ความลาประกากความทุกข์ท่านวัาอย่างจึงว่าให้เราเข้าใจและเรายังมีข้อสงสัยอีกเพิคำหนึ่งจะนำมาเล่าสู่ฟังครูบาอาจารย์เคยเล่าให้ฟังหากเป็นฆราวาสญาติโยมเรียกว่าไม่ได้บวชอะไรัน เมื่อไป ป, ปฏิบัติธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมเข้าใจธรรมแล้วจะเป็นฆราวาผู้คองเรือนอยู่ไม่ได้ต้องตายภายในเจ็ดวันนี้จำเป็นต้องไปบวชเป็นบรรพชิตมิ้เป็นเพศผมจันย ร, ร์เราก็เลยโผล่ลไม่อยากปฏิบัติธรรมาให้ถูกต้งก็เลยไปทำกรรมฐานเอาเพียงสงบเล็กๆลกน้อยน้อยเนี่ย อันนี้ก็เป็นการพูดหรือบางทีคนที่ไม่รู้พระสงองค์เจ้าหรือครูบาอาจารย์ไม่รู้พูดพูดเห็นไว้ก็ได้หรือว่าจะพูดยังไงสิ่ๆก็ไม่ได้เราไม่มีปัญญาไม่มีสัญญาไม่มียานปัญญาจึงรู้ไม่ได้คนเกิดมาแล้วที่ไหนอันไม่ตายภายในสิวันนี้ มันต้องตายวันอาทิต์วันจัน ner, ทนร์ทางคานพุทธเพลิดหัดสุกเสาหายได้เจ็ดวันนี้คนรู้ธรรมะก็ตายภายในเจดวันนี้ไม่รู้ธรรมะก็ตายภายในเจดวันนี้คนรวยก็ตายภายในเจ็ดวันนี้คนจนก็ตายภายในเจ็ดวันนี้อันนี้แหละเราไม่อยากปฏิบัติธรรมะกลัวจะไปบวชเป็นผัวปะเมียร้างกันเด็กเราเข้าใจอางนั้นไม่ต้องเข้าใจผิด ย่างนางวิสาขานร้อพระเจ้าพิมพิสารพญสิทธิสารมีเงินแล้วก็มีผัวมีเมียแต่ว่าคองบ้านคองเมืองอยู่ด้วยควไม่มีทุกข์มีคนสุขด้วยโลกิญะโลกิญะก็มีเงินมีทองมีลูกมีผัวโลกุตละก็เรียกว่ามีคนทำครองใจไปไหนมาไหนโดยไม่มีทุกข์ทันวันนั้นแต่เราเคยตู่ คนที่พูดอย่างที่ว่ารู้ธรรมะแล้วไม่ไปบวชตายอันนั้นบางทีนะักบวชกลัวโยมจะปฏิบัติย่านรู้ย่านเห็นแล้วก็คููเข็นไว้คนได้หรือบางทีตีควมหมายไม่ถูกเอาได้ดังนั้นที่นำธรรมะมาเล่าสู่ฟังในวันนี้ก็เห็นว่าได้ที่ แ, แสดงมาหลายแง่หลายมุกเพื่อปรับปรุงความเข้าใจแก้ไข สำนักทักทิ้งขวนก็จะพยายามมีการเปิดอารมกันอย่างนี้อยู่เป็นประจำและก็จะพูดธรรมะให้เข้าใจก่อนที่จะเข้าใจเรื่องนี้นั้นต้องให้ระวังวิปัสสนูจินตญาณวิปลาสให้ระวังจิตๆการปรัจจุบัติธรรมะแบบนี้จะเป็น อ, อุปสรรคขึ้นมาเึียงเล็กน้อยแต่ไม่ต้องกลัวให้เราอยู่กับปัจจุบัน เมื่อเราอยู่กับปัจจุบันแล้วอะไรจะมาทําให้เราลงตึดไม่ได้อยู่กับปัจจุบันก็อยู่ด้วยสัญญาณอยู่ด้วยอย่างปัญญาอยู่ด้วยปัญญารอบรู้อยู่ด้วยวิปัสนาญานั่นเองดังนั้นที่นำธรรมะมาเล่าสูา่ฟังในเรืนี้ก็เห็นว่าสมควรเป็เวลาแล้วท้ายที่สุดนี้อาตอมาพร้อมด้วยพระสนและญาติโยมมานั่งฟังธรรมะในหน้าสถานที่นี้มาประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี้อาตอมา ขออ้านอิงเอาจริของพระพุทธเจ้าและถ้าทำคำสอนขององค์เป็นเรชลัสธิมารสมาระธเจ้ า, าและคุณของพระราชสาวกพัะมาพระเจ้ามาเตือนจิตสกิดใจของพวกเราให้พวกเราได้รู้แจอนเห็นจริ ง, รงตามความเป็นจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้นั่นแหละสัตวทั้งหลายเราผู้เป็นกถาพตไปถึงแล้วแห่งนั้นแล้วจึงนามาสอนพวกเรื่องหลาให้พวกเธอทำลาย